ธรรมบทแปลเรื่องที่69เรื่องการฟังธรรมภาคที่สเรื่องที่ส0ของวักที่6ปมันดิตะวักวันานาพระศา ส, สดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งปรารถการฟังธรรมตรัสพระธรรมเทศนานิวาอปกาเตมนุเซ ส, สุเป็นต้นดังได้สดับมาพวกมนุษย์ผู้อยู่ถนนสายเดียวกัน ในกรุงสสวัตถีเป็นผู้พร้อมเพรียงกันถวายทานโดยรวมกันเป็นคณะแล้วก็ให้ทำการฟังธรรมตลอดคืนยันรุ่งแต่ไม่อาจฟังธรรมตลอดคืนยันรุ่งได้บางพวกเป็นผู้อาศัยความยินดีในกามก็กลับไปเรือนเสียก่อนบางพวกเป็นผู้อาศัยโทสะไปแล้วแต่บางพวกง่วงงุ่นเต็มทีนั่งสับประงกอยู่ ในที่นั้นนั่นเองไม่อาจจะฟังได้ในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุยังถ้อยคำให้ตั้งขึ้นในโรงธรรมเจาะจงถึงเรื่องนั้นพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้จึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายธรรมดาสัตว์เหล่านี้อาศัยพบแล้วเลยคล่องอยู่ในพบนั่นเองโดยดัดดืดนชนิดผู้ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าอัปกาเตมนุสเซสุเยชนาปารกามิโนอาท่ายังอิตราปชาตีระมีวานุทาวติ เยเจะโคสัมมดฆ่าเตทำเมธำ ม, มาโวติโนเตเจนาปาระเมสันติมัดจุดเทยังสุรุตรันติปัญดามนุษย์ชนพูดถึงฝั่งมีจำนวนน้อยฝ่ายประชานอกนี้ละไปตามตะลิ่งอย่างเดียวก็ชนเหล่าได้แลประพฤติสมควรแก่ทมในธรรมที่เรากล่าวชอบแล้วชนเหล่านั้น ล่วงบวงมานที่ข้ามได้ยากอย่างเอกแล้วจึงถึงฝั่งแกอัดเบรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัปกาคือนิดหน่อยได้แก่ไม่มากบทว่าปารกามิโนคือบรรลุพระนิพพานบาทพระคาถาว่าอาท่ายังอิตราปชาความว่าฝ่ายประชาที่เหลือนี้ใด ย่อมเละไปตามริมตริ่งคือสกายะทิฐินี้แหละมากนักบทว่าสัมมดค่าเตคือตรัสโดยชอบได้แก่ตรัสถูกต้องบทว่าธรรมเมคือในเทศนาธรรมบทว่าธรร ม, มานุวัติโนความว่าประพฤติสมควรแก่ธรมรมโดยสามารถแห่งการฟังธรรมนั้นแล้ว บำเพ็ญปฏิปทาเหมาะแก่ธรรมนั้นแล้วกระทำมรรคผลให้แจ้งบทว่าปารมีสันติความว่าชนเหล่านั้นคือเห็นปานนั้นจักถึงฝั่งคือนิพพานบทว่ามัจจุเทยังได้แก่วัตตะอันเป็นไปในสามภูมิอันเป็นสถานที่อยู่อาศัยของมจัจจุกล่าวคือกิเลสมารบทว่า สุดุตรังความว่าชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ทรรมชนเหล่านั้นล่วงคือเลยบ่วงมานที่ข้ามได้ยากอย่างเอกคือก้าวล่วงได้ยากนักแล้วนั้นจากถึงฝั่งคือพระนิพานในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องการฟังธรรม